มีท่านเป็นผู้นำข้าพเจ้าคงไม่ลำบากมากนักขอให้ข้าพเจ้าดิติดตามท่านไปด้วยเถิดท่านผู้เจริญแล้วที่ว่าจะคอยพระบรมศาสดานั่นล่ะข้าพเจ้าเปลี่ยนใจนะเพราะถ้าหมดแต่คอยพระบรมศาสดานั่งคอยไปวันๆคงหน้าเบื่อหน่ายไม่นอนและถ้าได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับท่านข้าพเจ้าอาจจะได้ฟังคำสั่งสอนของท่านได้ปฏิบัติบำรุงท่านได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆในโลกกว้าง ขอให้ข้าพเจ้าไปด้วยคนนะถ้าท่านให้คำมั่นสัญญาได้อาตมาก็ไม่ขัดข้องบอกมาเถิดคำมั่นสัญญาอะไรข้าพเจ้าให้ได้ทุกอย่างจะต้องยอมอดทนต่อความยากลำบากทุกประการโดยไม่ปริปากบน่นและจะยอมเชื่อฟังคำแนะนำทุกประการของอาตมาถ้าให้คำมั่นสัญญาได้อาตมาก็ไม่รังเกียจที่จะให้ท่านติดตามไปด้วยข้าพเจ้าให้คามั่นสัญญา เดินทางจากหมู่บ้านแห่งนั้นในเวลาบ่ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุแต่ถึงแม้จะร้อนจะกระหายน้ำจะเนหน็ดเหนื่อยมากาสักเทียงใดก็ตามจุลฝนก็ไม่ได้ปริ๊บปากบนแม้แต่คาเดียวหน้าชมเชยถึงแม้จะเป็นบุตรเศรษฐีไม่เคยต่อความยากลำบากเขาก็มีน้ำใจอดทนแต่นั่นแหละ การที่จะรู้ธาตุแท้ของคนย่อมต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันนา น, าน ที่บอ่อน้ําใต้ต้นสะดาวใหญ่กลางทุ่งนามีหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบอ่อน้ำหญิงชาวบ้านนำหม้อ น, น้ามาตักน้ําในบอ่อแลอ้วเทินศีรษะกลับไปยังหมู่บ้านเป็นครั้งคราวเลยหมู่บ้านไปมองเห็นแนวเขาโซนะและเขาอุทัอันเป็นปราการธรรมชาติด้านทิศใต้ของนครราชคีมาอย่างชัดเจนจุลพลตักน้ํามาให้ดื่ม ล้างหน้าลูกตัวแล้วนั่งพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นสดาใหญ่ไม่มีสิ่งใดจะมีค่าสําหรับคนกระหายน้ําเท่ากับน้ําอันใสเย็นจากบ่อไม่มีสิ่งใดจะมีค่าสําหรับคนเดินทางไกลในขณะที่แสงแดดแผดกล้าเท่ากับต้นไม้ใหญ่อันมีเงาร่มเย็นท่านรมณะข้าพเจ้าขอน้ำเดื่อดชนิดเถจงดื่มให้อิ่มเถ อ่าแม่ชื่นใจจริงๆขอบคุณท่านสมณะขอเข้าไปเจ้านั่งพักผ่อนครู่เถิดเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างามท่าทางเฉลียวฉลาดแม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งความอิดโรยเพราะเดินทางฝ่าแดดมาก็ตามหลังจากดื่มน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตรงเข้ามาหาวางห่อของลงแล้วก็นั่งลงตรงหน้าท่านสมณะ ขพเจ้าชื่อวินทุ ก, กะเป็นเหล่ากอแห่งภาราธราชโธดเดินทางมาจากเมืองขยาตั้งใจจะไปยังนรครราชกฤตถ้าท่านไม่ขัดข้องขพเจ้าค่ายจะสนทนากับท่านอัตมาไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดกลับยินดีซะอีกที่จะได้สนทนากับท่านในเรื่องอันเป็นสาระขพเจ้าได้ทราบว่านครราชกฤตเป็นแหล่งชุมนุมของนักปราศปฎปดาต่างๆมากมาย รวมทั้งพระสมนะโคโดมจากสากัจจคุลนั้นด้วยเขาพรเจ้าตั้งใจจะไปที่นั่นเพื่อสนทนากับนักปราชญ์เหล่านั้นบางทีท่านอาจจะช่วยแก้ปัญหาของข้าพเจ้าได้บ้างความจริงอาตมาไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่าศาสดาจารย์เพียงแต่เป็นพระภิกษุสาวกของพระบรมสมณะโคโดมอย่างนั้นเหรอท่านสมณะเป็นโชคของข้าพเจ้าแล้วโชคอะไรของท่านน่ะโชคที่ได้มาพบกสาวกของพระาศราสดาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นั่ น, นสิ ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาตรัสรู้เองโดยทอบประกอบวิชาและจารณะชานฉลาดในธรรมะทั้งมวลสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิดข้าพเจ้าใฝ่ายฝันเสมอที่จะพบพระองค์แต่ยังไม่มีโอกาสเลยข้าพเจ้าอาจจะมีบุญน้อยจึงไม่ได้เข้าเฝ้าและสนทนากับพระองค์แต่ข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้พบสาวกของพระองค์ก่อนที่จะได้พบกับองค์จริงของพระบรมศาสดา ท่านมีปัญหาคล้องใจอะไรก็เชิญถามมาเถอะถ้าอาตมาพอจะช่วยตอบได้ก็จะตอบถ้าปัญหามีอัตทะลึกซึ้งเกินวิสัยที่จะตอบได้ทันทีอาตมาก็จะนำไปศึกษาค้นคว้าตรึกตรองจนกว่าจะพบคำตอบในภายหลังเรื่องของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวข้าพเจ้าจะต้องเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นเพื่อเรื่องติดต่อกันถ้าอย่างนั้นก็เล่าเถอะเมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาจิตรกวิทยาอยู่ในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกแห่งเมืองตะกศิลาข้าพเจ้าตั้งใจเรียนด้วยความอุตสาหะวิริยะพร้อมกับปฏิบัติบำรุงอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างเกรงจนเป็นที่พออกพอใจของอาจารย์ภายในราวหกปีข้าพเจ้าก็เรียนจบสึ่งกระบวนความรู้เท่าที่อาจารย์มีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้าเข้าไปกราบลาท่านอาจารย์เพื่อกลับสู่บ้านเมือง ท่านอาจารย์ปัดนี้ข้าพเจ้าเรียนสําเร็จแล้วจะมากราบลาท่านอาจารย์กลับคืนตัวบ้านเมืองข อ, อให้โชคดีวินทุกขับและจงใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ยังมีเรื่องหนึง่งข้าพเจ้าใกล้จะขอถามท่านอาจารย์เราจะถามอะไรละ่ะวินทุกข์ข้าพเจ้าเรียนวิชาจากท่านอาจารย์มาก็เยอะแยะแล้วแต่อยากจะทราบว่าท่านอาจารย์ยังจะมีวิชาเหลืออยู่อีกหรือไม่ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เรียนและท่านอาจารย์ก็ยังไม่ได้สอนใครมี วินทุกข์กะฮะมีเอะเหรท่านอาจารย์ถูกแล้วแต่วิชาที่ว่านี้เรียนได้ยากประทําได้ยากจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ย, ยุ่งยากมากเลยถึงจะเรียนได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการตามที่ท่านอาจารย์จะกําหนดให้ขอแต่ให้ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาที่ว่านี้เท่านั้นวินทุกข์กะเจ้ายังไม่รู้เลยว่าวิชาที่เจ้าจะเรียนนั้นคืออะไร มีความดีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงรีบรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างเอาเถอะวินดูกเอ้ถ้าเจ้าตั้งใ จ, จเรียจริงๆอาจารย์ก็จะบอกให้เห็นว่าเจ้าเป็นสิทธ์เพียงคนเดียวที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้วิชานี้เรียกว่าสัพพสิทธิมนต์ผู้ใดได้เรียนวิชานี้ผู้นั้นจะได้สิ่งที่ตนมุ่งประสงค์ถูกประการ แม้จะประกาศเอาสมบัติทั้งปวงในโลกหรือแม้แต่ทิพยสมบัติของเท้าสักกเทวราชก็จะสําเร็จได้ดังมุ่งหมายเราจะให้วิชานี้แก่เจ้าถ้าเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเราเข้าไปเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการเจ้ายังไม่ฉลาดพออยู่นั่นเองเข้าไปเจ้าเนอะเหรอไม่ฉลาดคนที่ฉลาด เขาจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจนกว่าจะรู้สักก่อนว่าเงื่อนไขนั้นมีความยากง่ายแค่ไหนไม่ว่าอะไรก็ตามเขาไปเจ้าได้ตัดสินใจแล้วที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งๆเพื่อแลกเอามวลวิเศษนั้นถ้าเงื่อนไขนั้นจะต้องเสี่ยงอันตรายจนเจ้าอาจจะถึงแก่ชีวิตละ่ะเจ้าจะยอมปฏิบัติกกไหมบินตุกาเอรในโรคนี้ชีวิตของเจ้ามีคาสูงสุด ทรัพ ส, สมบัติทั้งรายจะมีค่าก็าเพราะเจ้ายังมีชีวิตถ้าเจ้าตายเสียแม้จะมีทรัพย์กองเป็นแผ่นดินทรัพย์เรานั้นก็หามีประโยชน์เม่เอาละเราจะบอกเงื่อนไขให้คอยฟังนะักบินทุกข์ครข้าเพาเจ้าคอยฟังอยู่แล้วท่านอาจารย์ขอให้เจ้าเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างซื้อถามดูตามบ้านม้อยเมืองใหญ่ทั่วไปว่า มีใครบ้างที่กล้าประกาศแกโลกว่าข้าพเจ้ามีความสุขสมบูรณ์แล้วถ้าเจ้าพบบุคคลเช่นนั้นเจ้าจงเข้าไปหาเขาแล้วมอบตัวเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาสามเดือนถ้าตลอดเวลาสามเดือนเจ้ายังเห็นบุคคลผู้นั้นมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการแสดงว่าเป็นทุกข์เลยแม้แต่น้อยขอให้กลับมาบอกเรา แล้วเราจะบอกสัพพสิทธิมนให้แต่ถ้าเจ้าอยู่กับเขาชั่วระยะวันนั้นหรือสองวันแล้วเขาแสดงอาการเป็นทุกออกมาให้ปรากฏเจ้าจงหนีจากเขาไปแล้วก็แสวงหาคนอื่นต่อไปเงื่อนไขมีเพียงเท่านี้เจ้าจะปฏิบัติตามได้ไหม เจ้รับเอาเงื่อนไขของท่านอาจารย์แล้วก็กราบลาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามนิคมต่างๆไปถึงแห่งใดก็เข้าไปสืบถามดูว่ามีใครบ้างในบ้านนี้ที่ประกาศว่าข้าพเจ้ามีความสุขแล้วถ้ามีข้าพเจ้าก็จะไปขออาศัยอยู่รับใช้แล้วพบบ้างไหมพบท่านสมณะแล้วท่านทํายังไงล่ะข้าพเจ้าก็ไปอยู่อาศัยรับใช้ขณะเดียวกันก็คอยจับตาสังเกตดูว่าเขามีความสุขจริงหรือไม่ ถ้าพบว่าเขามีความสุขจริงก็อยู่กับเขาหลายวันแต่ในที่สุดเขาก็แสดงความทุกข์ออกมาให้เห็นข้าพเจ้าก็เลยต้องอัมลารู้สึกว่างานของท่านเป็นงานสนุกสนานดีขณะที่ชาวโลกสแสวงหาทรัพย์สแสวงหายศแสวงหาอำนาจสแสวงหาบริวารท่านกลับสแสวงหาคนที่ประกาศตนว่ามีความสุขและท่านพบคนที่มีความสุขจริงๆ ตลอดสามเดือนแล้วหรือยังยังเลยท่านสมณะท่านยังไม่พบคนที่มีความสุขจริงๆตลอดเวลาสามเดือนอยังเลยท่านสมณะเขาพระเจ้าได้พบเกษตรถิผู้มีทรัพย์นับเป็นโกดู่ในปร า, าสาทเกดชันมีช้างมา้าและโคนมนับจำนวนร้อยมีบริวารเป็นจำนวนพัน และประกาศว่าต้นมีความสุขแล้วยังไงล่ะแต่พอข้าพเจ้าไปอยู่ใกล้ชิดก็ได้พบว่าเขาเหล่านั้นหามีความสุขใหม่ทํำไมล่ะเขา<ม>อาจจะไปไหนมาไหนด้วยยานอันวิจิตรเทียมด้วยมาอาจจะบริโภคอาหารอันประณีตอาจจะนอนบนเตียงอันสูงใหญ่ปูล่าด้วหนังชหมดอาจจะมีข้าทาบบริวารคอยกระทําตามคําสั่งแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดข้าพเจ้าพบว่าเป็นแต่เพียงความสะดวกเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความสุขคนมีซักมากอาจได้รับความสะดวกในการดํารงชีวิตแต่ไม่ใช่ความสุขแท้ทําไมจึงรู้ว่าไม่ใช่ความสุขแท้ข้าพเจ้ายังเห็นเขาหัวเสียเป็นทุกข์้อนใจบนเพ้อกล้ามครวนเป็นครั้งคราวทั้งทั้งที่ได้รับความสะดวกทุกประการนอกจากนี้ท่านพบใครอีกหรือเปล่าพบข้าพเจ้าพบนักบวชทุกชนิดทุกชนิดห น, นาไม้ถึงใครปริพาชก จะติณนิครนผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้ดําเนินชีวิตอิสระไม่เกี่ยวเก่อกับความยุ่งเหยิงของโลกใช้เวลาในการบําเพ็ญตะบะแบบต่างๆเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีความปรารถนาน้อยแต่ครั้นข้าพเจ้าเข้าไปฝากตัวเป็นเพศอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดก็ได้พบความจริงความจริงอะไรนักบวชเหล่านั้นมีแต่ความสบายกายสบายใจเพราะไร้สิ่งกังวลเท่านั้นแต่ยังไม่มีความสุขแท้ เพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นยังมีความปรารถนาต่อทิพยสมบัติในสวรรค์กระหายดิ้นรนเพื่อให้ได้ทิพยสมบัติอันเลอเลิศนั้นท่านเหล่านั้นเปรียบเสมือนคนยากจนเข็นใจไ ร, ร้ซั์และปรารถนาอยากมีทรัพย์อย่างแรงกล้าแต่เมื่อไม่สามารถจะหาได้ในปัจจุบันจึงฝากความหวังไว้กับอนาคตจึงออกบวชเป็นบรรพชิตบำเพ็ญตบะทำแบบต่างๆเพื่อสมบัติอันสนิพย์ในสวรรค์ และต่อจากนั้นล่ะวินทุกับท่านได้พบใครอีกข้าพเจ้าได้พบพระราชามหาษัตย์หลายพระองค์แต่ละองค์มีซั์มากมียศมีอำนาจ ม, มีบริวารมากแล้วยังไงพระราชาเหล่านั้นในายามว่างจากึก ใช้ชีวิตยอยู่ในพระราชวังสวยพระกระยาหารอันมีรถเลิศสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ด้วยการร่ายรำของหญิงนักฟ้อนรำขับเพลงและดนตรีอันไพเราะของนักดนตรีเล่นกลองมาหรถศพต่างๆก็มีมากมายที่จัดขึ้นในพระราชวังพระราชาเหล่านั้นตอนกลางวันก็หาความสนุกเพลิดเพลินกับการออกป่าล่าสัตว์ทอดพร ะ, ระเนตรกีฬาต่างๆมีมวยปล้ำเป็นต้นเขาพระเจ้าพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า ท่านเห็นว่ายังไงก็ตัดเหล่านั้นมีเพียงความสนุกแต่ยังไม่ได้ความสุขที่แท้จริงท่านสมณะข้าพเจ้าเดินทางท่องเที่ยวมาโดยวิธีนี้เป็นเวลาสามปีเต็มแล้วแต่ไม่พบใครเลยที่มีความสุขสมบูรณ์ตามที่ประกาศสิ่งที่เขาประกาศว่าเป็นความสุขนั้นเมื่อเอาจริงกลับเป็นเพียงความสะดวกสบายความสนุกเท่านั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะพบพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธ ที่เขาเล่าลือกันนักหนานั้นแต่ข้าพเจ้าเปลี่ยนเพลงว่าจะปิดหวังอีกท่านในฐานะเป็นสาวกของพระองค์พอจะยืนยันกับข้าพเจ้าได้ไหมว่าพระสมณะโคดมมีความสุขจริงอัตมาขอยืนยันว่าพระองค์มีความสุขจริงแล้วท่านละ่ะมีความสุขที่แท้จริงแล้วหรือยัง อิดอัดใจขึ้นมาทันทีถูกวินทุกกะถามด้วยปัญหาเช่นนี้เพราะความเป็นจริงนั้นตัวเองก็ยังเป็นตุกชนชีวิตยังมีความทุกข์ท่านจะตอบว่ามีความสุขก็จะผิดจากความเป็นจริงท่านจะตอบไ่ายังไม่มีความสุขเขาก็จะดูหมิ่นได้ว่าเสียแรงที่เป็นสาวกขององค์พระบรมศาสดาผู้มีความสุขอันแท้จริงแล้ว แต่กลับยังไม่มีความสุขแท้จริงอย่างบรมครูท่านสมณะท่านยังไม่ตอบคาถามเข้าไปเจ้าท่านมีความสุขที่แท้จริงแล้วหรืออย่างอาตมายัางปฏิบัติอยู่เพื่อบรุสู่ความสุขอันแท้จริงแม้ยังไม่บรรลุถึงขั้นนั้นแต่อาตมาก็ทราบว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรและทราบทางปฏิบัติเพื่อบรุถึงสุขที่แท้จริงนั้นด้วยอย่างน้อยที่สุด ข้าพเจ้าก็ได้ทราบในวันนี้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะปัญหานี้ข้าพเจ้าเองยังไม่ทราบคนอื่นๆก็ยังไม่ทราบส่วนมากเข้าใจกันว่าความสะดวกความสบายความสนุกเป็นความสุขแล้วก็วิ่งเต้นหาความสะดวกสบายสนุกนั้นในที่สุดก็ได้แต่สะดวกสบายสนุกแต่ไม่พบความสุขขอท่านที่โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยความสุขคืออะไรถ้าอาตมาจะบอกว่า ความสุขคืออะไรตามตรงอาจจะเป็นการยากที่ท่านจะเข้าใจเพราะอะไรท่านผูดเดินเพราะเรื่องความสุขเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเอาเป็นว่าอาจจะมาขอย้อนถามท่านก่อนดีกว่าท่านเห็นอย่างไรก็ตอบอย่างนั้นท่านจะถามอะไรสมมติว่ามีคนคนหนึ่งนำเอาผ้าที่เปะเปื่อนบรด้วยปัสสาวะอุจจาระและสิ่งสกปรปกทั้งหลายมาให้ท่านดูท่านจะทราบได้ไหมว่าผ้านั้นสกปรก ทราบสิท่านผู้เจริญใครๆก็ย่อมจะทราบโดยง่ายว่าผ้านั้นสกรปรกเอาละ่ะเมื่อผ้านั้นสกรปรกแต่ท่านทราบว่ามันสกรปรกเพราะมันมีความสกรปรกอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ในผ้าสกรปรกนั้นจะมีความสะอาดอยู่หรือไม่ไม่มีมันเป็นผ้าที่มีแต่ความสกรปรกเป็นั้นว่าผ้าผืนนั้นมีความสกรปรกเต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกแต่จะมีวิธีใดบ้างหรือไม่ละ่ะ ที่เราจะสามารถนําเอาความสะอาดไปเทสใส่ผ้าผืนนั้นและมันก็จะกลายเป็นผ้าสะอาดขึ้นมาข้าพเจ้ามองไม่เห็นทางว่าจะทําได้ท่านมองไม่เห็นทางว่าจะทําได้อย่างนั้นใช่ไหมบินทุกะถูกแล้วไม่มีทางเลยที่จะทําให้ผ้านั้นสะอาดขึ้นมาโดยเอาความสะอาดไปเทสใส่ แต่เราอาจจะทําให้มันสะอาดขึ้นมาได้อย่างหนึ่อย่างไหนล่ะนําไปตักล้างวยน้ําจนสิ่งโสโครกทั้งหลายหมดสิ้นไปความสะอาดก็จะมีขึ้นมาเองโดยไม่ต้องนําความสะอาดมาใส่ถ้าอย่างนั้นความสะอาดก็คือภาวะที่มีความสะกะปรกนั่นเองเพราะเมื่อเรานําสิ่งโสโครกออกความสะอาดก็เกิดขึ้นถ้าเรานำเอาสิ่งโสโครกไปใส่ผ้านั้นก็สะกะปรกความสะอาดหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ท่านจะมีความเห็นอย่างไรท่านเห็นว่าความสกปรกกับความสะอาดอย่างไหนมีตัวตนเห็นได้ชัดกว่ากันข้าพเจ้าเห็นว่าความสกปรกมีตัวตนเห็นได้ชัดกว่าเพราะอะไรความสกปรกเราอาจนาเอาไปใส่ผ้าได้และอาจนำออกได้ด้วยมือของเราส่วนความสะอาดนั้นแม้จะมีอยู่ก็ไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดเราจะนาเข้าใส่หรือนาออกด้วยมือไม่ได้ถูกแล้ววินชุกะ ท่านเห็นถูกต้องแล้วความสกปรกกับความสะอาดเป็นเช่นใดความสุขกับความทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นความทุกข์เป็นสิ่งมีอยู่จริงเราอาจจะมองเห็นได้ทั่วไปเราอาจจะสร้างขึ้นได้และทำลายะได้ส่วนความสุขนั้นมีลักษณะเหมือนความสะอาดคือไม่มีตัวตนนำเข้าออกไม่ได้แต่อาจจะเกิดมีเองเมื่อเรากำจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไป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 ด้วยวามะาวามัยอัญชานฉลาดทําให้ข้าพเจ้ารู้จักรูปร่างหน้าตาของความสุขเป็นครั้งแรกเอาล่ะข้าพเจ้าจะเรียนถามท่านต่อไปถามมาเถอะวินทุกขะเมื่อความสุขเกิดขึ้นเองในเมื่อเวลาทุกดับไปเมื่อความสะอาดเกิดขึ้นในเมื่อความกรปรกหายเราไม่สามารถจะสร้างความสุขขึ้นมาได้หน้าที่ของเราก็คือการดับความทุกขพยายามล้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ ถูกแล้ววินทุกกะท่านไม่ต้องพโวงถึงความสุขไม่ต้องสร้างความสุขไม่ต้องแสวงหาความสุขพยายามดับความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อท่านดับความทุกข์ได้ความสุขก็จะมีมาเองยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยคนส่วนมากฆ่าที่ไม่รู้ความสุขจึงพยายามสร้างความสุขขึ้นมาโดยไม่ดับความทุกข์เลยเป็นการเพิ่มพูนทับผมความทุกข์ขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเสมือนบุรุษผู้ต้องการให้ผ้าสะอาดแต่ไม่รู้วิธีที่จะซักฟอกจึงไปนำสิ่งต่างๆมาทับผมพอกคูนด้วยผ้ามันสะอาดแต่มันก็หาสะอาดไม่ฉะนั้นแล้วทางที่ถูกเราต้องพยายามดับทุกซักล้างความทุกขออกจากตัวเราและความสุขก็จะเกิดขึ้นเองท่านกมณะจะมีวิธีการซักล้างความทุกอย่างไรบ้างจะใช้อะไรในการซักล้างความทุก ออกไปจากดูเราดูก่อนวินทุกะความสุกปรกของผ้าเกิดจากการเปื่เปื้อนด้วยมูดตะคูตคืออุจจาระปัสสาวะฉันใดความทุกข์ของคนเราก็เกิดจากการเปื่เปื้อนด้วยสิ่งสุกปรกฉะนั้นสิ่งสุกกปรกอันเป็นเหตุให้ประสบทุกมีสามประการด้วยกันมีอะไรบ้างท่านสมณะคือความชั่วทางกายวาจาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกหนึ่ง กิเลสและความชั่วทางจิตอันเป็นเหตุให้จิตสกรปรกหนึ่งความโง่เขลาไม่รู้ความจริงอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือหนึ่งความสกรปรกทางกายวาจาคืออะไรท่านสมณะคือกายทุจริตสามอันได้แก่การท่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดประเพณีเกี่ยวกับการความสกรปรกทางวาจามีสี่คือการพูดเท็จ พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าความสกปรกทางกายบาจาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกประการหนึ่งก่อนอื่นเราต้องชำระล้างความสกปรกนี้ให้ออกไปจากตัวเราเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องชำระล้างความสกปรกประเภทนี้พระบรมศาสดาของเราทรงแนะนําให้เรารักษาศีลคือตั้งวิริยเจตนา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 เป็นความขรปกทาง จ, จิตใจล่ะเราจะชำระล้างได้ด้วยอะไรขอเวลาอาตามาสักนิดหนึ่งก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวอาตามาจะตอบเชิญต้นจรรัะเอาละ่ะเมื่อกี้ถามว่ายังไงนะวินทุกั กิเลสและความชั่วทางจิตอันเป็นความขบรักทางจิตใจเราจะชำระล้างได้ด้วยอะไรความชั่วทางกายวัดเราชำระได้ด้วยการควบคุมกายวาจาชั้นใดเราก็อาจจะชำระความชั่วทางใจด้วยการควบคุมใจชั้นนั้นกิเลสทั้งหลายมีความโลภความใคร่ความโกรธความหลงย่อมเกิดขึ้นในเมื่อประสบกับเครื่องรบเร้า เช่นตาเห็นรูปงามย่อมเกิดความรักใคร่บุคคลที่ไม่สำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกกลิ้นกายใจปล่อยให้ทวานเหล่านี้รับอารมณ์ตามใจชอบกิเลสทั้งหลายย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงทรงสอนให้สำรวมอินทรีย์เป็นอันดับแรกเมื่อสำรวมอินทรีย์ดีแล้ว กิเลสทั้งหลายย่อมเกิดน้อยถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่มีความรู้ตัวปล่อยให้มันไปอย่างเสรีกิเลสย่อมมีกําลังรุนแรงขึ้นเป็นความชั่วทางใจคิดอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดทํานองครองทำเปรียตเสมือนโจรที่เข้าประตูไปลักทรัพย์ในบ้านถ้าที่ประตูไม่มียามคอยห้ามปราบไว้โจรย่อมเข้าไปทําทุจริตได้ตามสบาย แล้วอะไรล่ะคือยามสำหรับคอยรักษาประตูใจไม่ให้กิเลสกำเริบหนลองบอกสิวินทุกกะท่านสมณะแถลงมาเลยดีกว่าเพราะถึงยังไงข้าพเจ้าก็คอยรับฟังอยู่แล้วยามของหัวใจก็คือสติความตื่นตัวไม่เผลอคนที่มีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นรู้ตัวว่าจะเกิดและหาทางระงับยับยั้งไวเพราะเหตุนี้แหละ พระบรมศาสดาของเราจึงทรงแนะนําสั่งสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะโดยวิธีเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานมีได้กันสี่ประการอะไรบ้างท่านสมณะกําหนดรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกระยะกําหนดรู้เวทนาในจิตทุกระยะกําหนดรู้การเคลื่อนไหวจิตทุกระยะกําหนดรู้คุณภาพของจิตทุกระยะ นี่เป็นขั้นที่สองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราต้องละเสียด้วยการฝึกข่มจิตให้สบงบระงับแน่วแน่มีอารมณ์เดียวมั่นคงหลังจากนั้นกิเลสต่างๆก็ระ ง, งับลงจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะเกิดขึ้นช่างเป็นวิธีที่แยบคลายอะไรเช่นนั้นข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสในวิธีชำระกายของท่านขึ้นมาแล้ว พระเจาาจะต้องปฏิบัติวิธีระงับทุกเหล่านี้อย่างแน่นอนแล้วความสกปรกประการที่สามคือความโง่เขลาไม่รู้ความจริงอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือและท่านผู้เจริญเราจะมีวิธีชำระล้างอย่างไรอวิชชาหรือความโง่เขลาไม่รู้ความจริงเป็นความสกปรกของจิตใจยอย่างละเอียดลัมพางศีลนินจีสังวรสติสัมปชัญญะและสมาธิไม่สามารถชำระล้างอาวิชชาได้แล้วอะไรละ่ะ ที่แต่าะละล้างอวิชชาได้ปัญญาหรือความรอบรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเราจะสร้างปัญญาได้อย่างไรสร้างให้เกิดขึ้นด้วยการฟังด้วยการคิดพิจารณาและด้วยการภาวนาเราทาได้เช่นนี้อยู่เสมอเราจะทราบความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้ความโง่ก็หายไปหลังจากนั้นเราจะไม่หลงยึดถืออะไรอีกเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก็ดับไปตามสภาพของมันจิตใจของเราก็ไม่วันไหวจิตใจเราก็สะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขเป็นอันสรุปได้ว่าความสกปรกทางกายทางวาจาทางใจทําให้เกิดทุกข์ถ้าเราล้างความสกปรกทางกายวาจาออกจะได้ ด้วยศีลล้างความสกปรกทางใจออกเสด้วยอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะและสมาธิล้างความสกปรกแห่งสันดานออกจะได้ด้วยปัญญาเราก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งสปกปรกเหลือแต่กายวาจาที่สะอาดหลังจากนั้นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเองบุคคลเช่นนั้น ย่อมสามารถที่จะประกาศให้โลกทั้งมวลได้รับทราบว่าข้าพเจ้ามีความสุขสมบูรณ์แล้วอย่างเต็มที่โ oh, อ้อาศจกดิ์จริงท่านสมณนะอัศจรดิ์จริงข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุถึงความสะอาดทางกายวาจาจิตยังไม่บรรลุถึงความสุขแต่ข้าพเจ้าก็เห็นได้อย่างเต็มที่ว่าทางดับทุกข์ของท่านเป็นทางอันประเสริฐสามารถนําไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นศิษย์ของท่าน